เรื่องเล่าผีหลอนตอนสยองนี้ที่อัมพวาเรื่องเล่านี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับเกมและครอบครัวเมื่อวันเสาร์ที่หมีนาคม2559ที่ผ่านมาเกมและครอบครัวมีแลนคร่าวๆ ว, ว่าจะไปเที่ยวไหว้พระทำบุญซึ่งเกมเป็นคนสาแก้ว และมีธุระที่จะนำของไปฝากเพื่อนแถวแถวสมุทรสาครเลยได้อยู่เล่นที่บ้านเพื่อนจนเวลาเย็นเย็นประมาณ6โมงกว่าด้วยความที่เกรงใจเพื่อนเลยไม่ได้นอนค้างที่นั่นปกติเวลาที่เราไปเที่ยวที่ไหนจะศึกษาข้อมูลและจองโรงแรมผ่านเว็บไซต์เพราะเกมชอบอ่านรีวิวที่พักว่าเป็นอย่างไรแต่รอบนี้ ออกไปเที่ยวกันแบบไม่ได้จองโรงแรมไว้เลยและนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่ครอบครัวเกมได้เจอมาแฟนของเกมนั้นชื่อเอกการเดินทางครั้งนี้มีลูกชายไปด้วยอีกหนึ่งคนอายุสองขวบเราเดินทางออกจากบ้านเพื่อนช่วงเวลาใกล้ค่าเลยแวะซื้อนมให้ลูกที่7ซเวนก่อน เพื่อนแนะนําให้ไปพักแถวๆรีสอร์ทที่ใกล้ป่าชายเลนเกมเลยตั้ง GPS มุ่งหน้าไปยังรีสอร์ทที่เพื่อนแนะนําอารมณ์ตอนนั้นคืออยากตื่นเช้ามาได้เจอบรรยากาศริมน้ําตื่นมาทานกุ้งให้อร่ อ, รอยเราขับรถมาถึงที่พักเวลาประมาณสองทุ่มกว่ า, วารีสอร์ทที่นั่นมีทัวร์มาลงเยอะมากไม่มีพนักงานมาคอยเช็คอิน เลยรอสักพักได้เจราจาคุยกับพนักงานเขาบอกเหลือเพียงห้องเดียวห้องน้ำอยู่ด้านนอกราคา 1,500 บาทเกมมองหน้าแฟนแล้วคุยกันว่าแพงไปเราไปหาที่พักอื่นเอาดับหน้าละกันนะเลยปฏิเสธแล้วขับรถออกไปยังทางเดิมที่ขับมาต้องบอกไว้ก่อนว่าตลอดการเดินทางนั้นครอบครัวเจม จะใช้ GPS ในการนำทางเราไม่เคยรู้เส้นทางหลักๆว่าไปที่ไหนอะไรยังไงเชื่อใน GPS แล้วขับตามอย่างเดียวเราเลยขับรถออกจากรีสอร์ทนั้นแล้วตัดสินใจกันว่าจะไปชะอำหรือขับรถกลับไปที่สมุทรสาครแล้วหาที่พักแถวๆติดถนนดีตอนนั้นก็ขับรถกันไปเรื่อยๆเกมเองก็เซิร์ช จ, จากอินเทอร์เน็ต ว่ามีที่พักที่ไหนน่าสนใจบ้างเวลานั้นก็ล่วงเลยมาสามทุ่มกว่าแล้วตลอดทางก็มืดพอสมควรตั้งใจกันไว้ว่าจะหาที่พักแถวแถวอัมพวาแต่ตาดัานไปมองเห็นรีสอร์ตหนึ่งมีป้ายบอกทางอยู่เลยวนรถกลับแล้วเข้าไปติดต่อที่รีสอร์ตนี้ดูไม่เคยคิดว่า การเที่ยวทริปนี้จะนำประสบการณ์ที่เราคงจํากันไปอีกนานมาให้ขอบอกว่ามันเงียบและมืดพอสมควรแฟนเกมขับรถผิดเข้าไปในซอยบ้านใครก็ไม่รู้ที่อยู่ใกล้ๆกับรีสอร์ทเลยถอยรถออกมาแล้วติดต่อที่พักก็เจอลุงแก่ๆคนหนึ่งแกบอกว่า มีราคา700และ900บาทด้วยความงกบวกความง่วงเลยบอกแฟนไปว่าถ้าอย่างนั้นพักแบบเ0 0บาทละกันแฟนเลยให้เกมกับลูกเดินลงจากรถเพื่อที่จะเดินเข้าไปที่พักส่วนแฟนกำลังขับรถไปจอดตรงที่จอดก้าวแรกที่ลงรถลูกชายก็พูดกับเกมว่าแม่ ต้นกลัวมากคือลูกชายเพิ่งเริ่มหัดพูดแล้วก็ชอบดูหนังผีกลัวความมืดด้วยเกมก็ไม่ได้คิดอะไรเลยบอกลูกว่าไม่มีอะไรล็อกเพราะทางที่เราเดินมันมืดและเงียบมากพอเข้าไปที่พักพนักงานคนที่มาเปิดไฟก็เปิดห้องให้ จากนั้นเขาก็ถามเกมคำหนึงว่าอยู่ได้นะแอร์เย็นไหมพอกลับมาบ้านก็คิดว่าเออทำไมเขาถามแปลกๆแต่ตอนนั้นเกมก็ไม่ได้คิดอะไรด้วยความที่เพลียมากๆเราก็อาบน้ําพอหัวถึงหมอนก็หลับกันเลยลืมสวดมนก่อนนอนกันเลยเรื่องจากนี้คือเหตุการณ์ที่แฟนของคุณเกมเจอ แต่คุณเกมไม่ได้เจอแต่พอฟังที่แฟนเล่าเลยรู้สึกหลอนๆขึ้นมาเรื่องราวมีอยู่ว่าเวลาประมาณตีสี่กว่าๆแฟนคุณเกมได้ยินเสียงผู้หญิงเรียกชื่อเกมแฟนก็งงๆเพราะปกติเราจะไม่เรียกชื่อเล่นกันเขางงว่าเรามากันสามคนพ่อแม่ลูก แล้วเสียงใครที่ไหนมาเรียกชื่อเกมแฟนเลยหันมามองเกมที่นอนหลับอยู่ก็ไม่เห็นมีอะไรผิดปกติแต่พอแฟนมองสูงขึ้นไปยังทางหัวเตียงที่เกมนอนอยู่ก็เจอผู้หญิงผมยาวผิวขาวซีดๆชะงงอกหน้าลงมาใกล้ๆตรงหัวคุณเกมที่นอนอยู่แฟนบอกว่าเวลานั้นเขาทั้งตะโกนร้องเรียกเสียงดังมาก แต่คุณเกมกลับไม่ได้ยินเสียงหลับปุ๋ยกันสองคนแม่ลูกแฟนเลยมาส ก, กิดให้คุณเกมตื่นแล้วถามว่ากี่โมงแล้วคุณเกมเลยหยิบโทรศัพท์มือถือมาดูเวลาตอนนั้นเวลาตีส20กว่าแล้วแฟนบอกว่าเช็คเอาท์เถอะนอนไม่ได้แล้วเกมก็ถามว่าทำไมเกิดอะไรขึ้น เขาเลยเล่าให้ฟังระหว่างที่เล่าแฟนคนลุกตลอดเวลาคุณเกมไม่กล้ากระดุกกระดิกตัวเองไปไหนเลยส่วนลูกชายก็มีนอนร้องไห้ทำเสียงสะอื้นสะอื้นอยู่เป็นพักๆจะบอกว่าเป็นครั้งแรกที่มาพักที่จังหวัดสมุทรสงครามสรุปคือเรารอจนถึงเช้าแต่ตาสว่างกันตั้งแต่บัดนั้นเลยจนเจ็ดโมง ก็มาเดินเล่นแถวรีสอร์ทถ่ายรูปเล่นจุดที่พีกกว่านั้นคือรีสอร์ทที่นี่ทั้งคืนจนถึงเช้ามีแค่ครอบครัวของคนเกมเท่านั้นที่เข้าพักไม่มีคนอื่นอยู่เลยแล้วตอนเช้าบรรยากาศวังเวงพอสมควรก็เลยตั้งใจกันว่าเมื่อลูกตื่นอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็จะไปทำบุญถวายสังฆทานจบทริปนี้ด้วยความหลอนกันไป